ต่อจากนี้ไปเป็นการ 5 มกราคม 2530 ที่พุทธสถาน อ่าก็บรรยายต่อจะยังไงก็แล้วแต่บรรยายต่อกระท้าวความกันนี่ทุกเล่มเลยเหมือนกันเอามา หนึ่งนั่นคือคนนั้นคือคนนะธรรมชาติ 1 นั้นก็คือเป็นธรรมชาตินะคนก็หมายความว่าคนเป็นเป็นอยู่อ่ายังเกิดเกิดๆหน ผู้เป็นธาตุของโลกธรรมนะผู้เป็นธาตุ โอจมูกลิ้นกายคือกามราคะหรือไม่ว่าจะอยากทางทวารใจคือ เออธรรมชาติของคนก็เป็นธาตุโลกิยะอยู่ตามธรรมชาติคนคนที่ไม่พัฒนาคนที่เป็นธรรมดานี่เรา นับชาติหรือชาติเนี่ยได้เป็นชาติหรือเป็นชาติที่จะต้องมีความรู้ด้วย น่ะอย่างงี้มันมันไม่ใช่วิธีการแล้วก็ไม่ใช่การดับชาติหรือว่าไม่ใช่ชาติที่จะต้องกระทําโดย อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่ต้องไปดับมันมันดับเองมันแน่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่ต้องไปดับมันมันดับแล้วทุกข์บางอย่างก็ไม่เห็น เพราะฉะนั้นชาติคนดับอ่าดอกก็ต้องรู้ให้แท้ๆก็เรียนรู้กิเลสตัณหาหรือโลกโลดหลงเรียนรู้หรือนิมิตของมันอาการหรือนิมิตของมันต่างๆให้ชัดเจนแล้วเราก็มีวิธีดับพระพุทธเจ้าบอกทฤษฎีไว้แล้ว ที่จะแม้มันไม่มีตัวตนอันนั้นยิ่งเป็นสุขอะไรแม้มันจริงๆยิ่งเป็นสุขอันสงบ บางคนนี้เป็นธรรมชาติตามธรรมดานะที่หลงธรรมชาติอยู่เมื่อไม่ได้ศึกษาก็อย่าง สิ่งที่เป็นสมมุติธรรมทั้งหลายแลที่มันควรจะล้าง ตนาอุปทานนั่นแหละที่เป็นนามธรรมเป็นเรื่องละเอียดต้องตามเรียนตามรู้อบรมฝึก กระทบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มีอํานาจเหนือสิ่งเหล่านั้นมี ประเสริฐจริงๆเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆในสังคมเป็นประโยชน์ต่อชนเป็นอัน ตอนนี้เรามาเข้าใจให้ดีพระพุทธเจ้าท่านแยกบุคคลไว้ 4 ประเภทเนี่ยปุคคติดันยูบัวพลน้ําวิปปจิตันยูบัวปริ่มน้ําเนยยะบัวใต้น้ําปทัพปรมะบัวใต้ตมน่ะเดี๋ยวนี้เค้าเรียกบัว เราๆนะเราเคยฟังบุคคล 4 จําพวกนี้ปทัพปรมัตเราก็ๆเรามาทําความเข้าใจให้ชัดว่า ผู้ไม่บรรลุธรรมผู้ได้ไม่ได้มีอริยธรรม อยู่จมอยู่กับศาสนานี่ไปตลอดชาติก็ตามแต่ถ้าไม่มีมรรคไม่มีผลคือประทับปรมัตถ์ทั้งสิ้นฟังให้ชัดตรงนี้ฟังให้ชัดก่อนบุคคลที่ ผู้อวิชชาอยู่เท่านั้นแม้จะเฉลียวฉลาดนะท่านตรัด ผู้รู้ธรรมอย่างดีเป็นๆเลยไม่ได้บรรลุธรรมใน อ่าต้องกล่าวทบทวนต้องอะไรต่ออะไรอยู่ตั้ง แล้วบุคคลนั้นจึงได้บรรลุมรรคผลเป็นชั้นๆไปบุคคลนั้น ศึกษาจัดปรวบโดยไม่ก็แยกแยะไปโดยยกธรรมขึ้นแสดงอย่างนี้สวดไปต่างๆนานาประการได้ไต่ได้ถามกันได้ทําในโดยแยบคายได้คบหาสมาคมกันได้คบหาภูแต่ละขั้นแต่ละตอนอ่าเหมาะจริตกัน ได้สนิทสนมกับมิตรนี่เป็นสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบๆชั้นๆไปเรื่อยๆอย่างนี้บุคคลส่วนวิปจิตตัญญูนั้นได้ฟังธรรมะๆเป็น ยิ่งอุคติตรนอยู่แล้วฟังแต่หัวข้อเท่านั้นแหละบรรลุธรรมเลยเพราะว่าๆคนๆนี่ตีแตกทันทีเท่านั้นแหละออก ที่เค้าหินโปรบแล็คไฟเนี่ยมัน ยิ่งปทัพปรมะดีและเป็นตัวปทัพปรมะชัดๆเพราะผู้ที่เขาไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้ยินได้ แต่ผู้ที่แมฟังพระพุทธพจน์ก็มากกล่าวอยู่ก็มากจําจําทรงไว้ได้ก็มากบอกสอนก็อยู่ก็มากแต่ใกล้กลือกินขี้ฟังให้ลุกๆ ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรนี่สิมันมันแน่ๆเลยว่าปดโถอยู่กับ ว่าอยู่บนฟ้าปลาก็ว่ายอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ําน่ะมันๆเป็นๆมีอุปกรณ์มีวิบากเค้า เขาก็ค่อยภาคเพียรไปเขาก็เคยได้ตายระดับอะไรขึ้นอะไรไปอะไรๆก็ยังไม่ๆจึงเป็นๆตื่นๆทุก คนโง่จริงๆโง่เซอๆโง่ไม่มีความเฉลียวฉลาดจริงๆเลยอุปกรณ์อะไรอวัยวะอะไรของเค้าส่วนของวิญญาณด้วยของแต่เค้า นี่น่ะตัวปทัปปทัปปรมะแท้ๆนะบุคคล คนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาๆนานาเป็นคนที่ลาลาบลาย อุคติตตัญญุวิปปจิตตัญญูนั่นแน่ๆแล้วหลักคําบัณฑิตที่แท้จริงบัณฑิต เขาไม่ได้คบหาก็ไม่ได้สมาคมเขาไม่ได้สนิทสนมเดี๋ยวพระเจ้านั้นก็เหมือนกับ งดระวังนะปทัพพะปรมะคือจะอยู่ในนี้ก็เนยะแยะน่ะ อะไรต่างๆนานาถูกภาษาเงินตื้นๆนะเรียนธรรมะไม่ได้คือไม่ได้มรรคผลนี่ภาษาลึกขึ้นไปเรียนธรรมะไม่ได้บุคคลผู้โง่เรียนไม่รู้เรื่องพอว่าฟังแล้วแต่บุคคลผู้นั้นปฏิบัติไม่ แล้วก็ มาE ปฏิบัติถูกทางเรียนได้อะไรดีจริงไม่ได้บรรลุมรรคผลเมื่อไม่มีการบรรลุธรรมและยิ่งได้ ตถาปทมหาปรมะระวังทีนี้ก็มีรายละเอียดอีกอันนึงๆมีญาณเกิด ที่รู้ของจริงรู้ความเหมือนจิตตามความเป็นจริงของปรมัตถ์ของจิตเจตสิก จัดการพิสูจน์ให้มันหน่ายคลายคุณได้หน่ายคลายคุณๆเลยอ่ายิ่งถาวรยิ่งเข้าจนกระทั่งเข้ากระแสโสดากระแสสกิทาสูงขึ้นไป โสดาซกิทายังไม่บอกไม่เวียนกลับแต่ว่าเป็นผู้ แต่ก็ไม่ได้สอนให้ประมาทนะแม้จะเป็นอนาคคแล้วก็นี่คือความเพี้ยนที่เห็นได้ชัดว่า ญาณมันเป็นการรู้ของจริงตามความเป็นจริงพวกผู้รู้ แล้วเราก็ทําให้จางคลายได้จางคลายชั่วคราวจางคลายถาวรจางคลายได้มีจตุตูปปาตญาณคุณ พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้งมงายต้องให้รู้ของจริงหลอกนั่งลวงมานั่งสอบญาณนี่คือดี เป็นวิชาเป็นวิธีการของคนอวดดีเป็นพฤติกรรมของคนอวดดีมาสอบญาณกันนะมานั่งสอบ ยานเลยไปหมดเสร็จแล้วก็มานั่งอวดกิบๆที่ สัมมาทิฏฐินี่เป็นความรู้คุณจะรู้มาจากปริยัติจะรู้<ต> ตัวประธานก็คือสมาธิฐิรู้ทางรู้แน่รู้ชัดมีแผนที่แล้วเสร็จจริงๆมีสติรู้ นั่นมันก็จะสังสมเป็นความตั้งมั่นอัตถิก็จะเกิดคือสมาธินั่นคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยเกิดจริงๆเกิดอธิมีผลนะศีลมีผลจิต มันจะเกิดได้ก็เพราะมันมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันมีสติดีตัวดีที่เรียก ตั้งมั่นเราแปลเอาอักแปลเอาความมาตั้งมั่นที่จริงก็จิตจึงเรียกว่าอธิจิตมันขัดปฏิบัติศีลแต่ละข้อแต่ละฐานะโสดาสกิทาศีล แต่เมื่อก็สอนสอนกันเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลนั้นคือ 6 ของพุทธเจ้าปัญญา เพราะมีองค์ธรรมองค์มรรคมรรคังคะก็คือองค์องค์ 8 นี่แหละมันสมบูรณ์มันจึงเกิดสัมมาทิฏฐินั่นมันก็สั่งสมด้วยทางกายทางวาจาทางใจทางอาชีพความพยายามสมบูรณ์ มันก็เกิดเป็นญาณเกิดเป็นของจริงที่เห็นของจริงโอ้กิเลสอย่างนี้นะๆเลยๆมันจางคลายเออเรา จะทําทวนทําซ้ําทําซากจนกระทั่งไม่ยินดีในสวรรค์ไม่มีสวรรค์ไม่ติดสวรรค์ไม่หลง สวรรค์นิพพานนั้นไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขเป็นอุเบกขาสมโภชชงที่แท้จริงรู้ว่า ตั้งมั่นได้เนี่ยต้องมีลักษณะสัมมาสมาธิด้วยนะสิ่งเหล่านั้นปัญญารู้ของจริงที่ตั้งมั่นเลยเพราะ 16 ไม่ใช่มาต้องภาษาเจโตปริยาน 16 ขั้นอยู่แต่บัญญัติภาษาไม่ใช่เข้าใจเลยว่าราคะมูลยังไงโทสะมูลรู้ประงตังถึงอ๋อนี้เป็นอนุตตระแล้วนี่ ยานของเรานี่เกิดเองของเรานี่เกิดเองเห็นเองรู้เองๆแล้วมันก็นั้นไม่ใช่คนนั้นคนนี้มาๆนานาออกนอกลู่นอกทางเลขกลของศาสนาน่ะ นะนี่เรียนรู้ชัดเจนคนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเรื่องที่สั่งสมความรู้หรือทิฐินี่คืออธิปัญญาที่เป็นปัญญา เป็นปัญญาผลจึงเรียกว่าญาณสัมมาญาณะผลเข้ามรรคก็เป็นอธิปัญญาเข้ามาเรื่อยๆรู้ว่า ไปเรื่อยๆแน่นอนเที่ยงแท้ตั้งมั่นก็ยังไม่แน่ก็ทายจนกระทั่งแข็งแรงตั้ง เหตุเดียวปัจจัยๆเป็นผลเป็นสัมมาญาณสัมมาญาณก็ต่อจากสัมปัญญาผลนั้นสูงขึ้นไปเข้าเขตต้องเข้า ได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นจริงจนเกิดสมาญาณ <for S 1> <enables> <doświad> มันปัญญาศีลสมาธิปัญญาแล้ววิมุตติและจึงวิมุตติญาณทัสสนะมันมีญาณที่สมบูรณ์เห็นๆเพราะนี้แล้วก็เอาไปอธิบาย พันพยัญชนะก็ว่าต้องเป็นวิชชาต้องเป็นญาณแล้วเอาแล้วลองเอาจะพลเอาวิชาพลได้ยังไงในเมื่อมันมีวิชาแล้วไม่มีญาณมันมีวิชาเนี่ยแล้วก็ไปอธิบายเพียรเพราะความ อธิบายไม่ถูกทางก็ไม่เข้าไม่ถูกทางแล้วก็เอาไปปนเปลวของพุทธเอาไป อ้าวแล้วมันบรรลุอะไรอ่ะอวิชชาบรรลุอวิชชาได้ไงมึงมันไม่มี แต่ต้องมีทั้งนั้นแหละไม่มีมันไปตัวบรรลุไม่ได้ตัววิชา เมื่อมันเข้าใจเพียรแล้วๆนอกๆแล้วยังไม่พอแถมเบี้ยวด้วยเบี้ยว ต้องมีจตุปปาตะญาณต้องรู้ความเกิดความดับเพราะฉะนั้นคําว่าชาตินี่เป็นคํากลางๆเหมือนจิตเหมือนวิญญาณ จะตายจากอันนี้ลงต่ํากว่าตายไปเป็น ภาวะธรรมชาติที่เกิดทางจิตต้องมีความเกิดจริงๆเกิดเป็นเทวาหรือเกิดเป็นผู้ มีมรรคมีผลถ้าผู้ใดไม่ๆไม่ว่าจะชาติไหนก็แล้วแต่โดย ไม่มีชาติทางจิตไม่มีมรรคมีผลเกิดทางจิตเลยคนนั้นคือปทัพพะ สังวรประทานปหานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานมีการมีผลนั้น 500 ปีตายเกิดจากท้องพ่ออดุ 500 ปีก็ไม่ ทรงๆก็ปฐะปรมะเหล่านั้นเองเอาพระพุทธพจน์ของ และคุณจะมีอายุอยู่ยืนนานเกิดมรรคไม่เกิดผลเลยคุณจะมีอายุอยู่ยืนนานกี่ปีก็ตามแต่แต่เกิดจากท้องพ่อ จะได้มากได้น้อยก็ตามแต่มีการเกิดเป็นอริยะบุคคล มันเป็นเนื้อบารมีของเราเป็นบุญของเราเป็นสิ่งที่เราได้สั่งสมมาหัวข้อนี้แม้พอฟัง วิปปจิตัญญูก็หัวข้อธรรมบางหัวข้อนี่พอได้ฟังขยายพิสดารกันโอ้เราบรรลุเลยเราสว่างแจ้งเพราะฉะนั้นคนที่ฟังหัว มีวิปจิตรญูธรรมมีเยอะอ่าได้ยินหัวข้อสว่างก็สะสมธรรมไปบรรลุไปเป็นเรื่องๆเป็นขั้นๆเป็นเป็นเป็นเป็นส่วนๆเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆต่อตอนผู้ที่เป็นวิปจิตรญูต้องฟังหัวข้อก่อนแล้วก็ต้องต้องฟังขยายพิสดารไปในหัวข้อพอ มันมันฟังแล้วขยายพิสดารจนเพียงพอก็บรรลุก็ได้ก็แต่ละคนแต่ละขนาดนะแต่ละคนก็แต่ละขนาดก็มีธรรมะหลายๆอย่างบางคนน่ะเออจะต้องไปแล้วต้องพยายาม เอ่อต้องทําไว้ในใจหัดแล้วหัดอีกทําโยนิโสมนสิการฝึกไปแล้วๆนั้นน่ะนั่นแหละ นี่คบหากันไปสนิทสนมกันไปแล้วพากันลงนรกซะด้วยนี่มั่จะประคุณบาปหนักบาปหนานะตัว คบมิตรดีสหายดีให้คบไม่ชอบฉันชอบคนมีคุณธรรมหน้าแล้วก็เอากิเลสกามเอากิเลสอะไรมา สรุปเข้าใจให้ถูกต้องคนบุคคล 4 ประเภทนี้เข้าใจให้ถูกต้องนะเข้าใจให้ๆดีๆแล้วก็จะๆต้องเข้า หรืออุบัติมีจุตูปปาตญาณรู้ความเกิดความดับติดแท้จริงมีญาณน่ะญาณรู้ความเกิด มีจุดตูปปาตญาณมีญาณบุพเพนิวาสานุสติทบทวนวันๆคืนๆอุปฏิบัติมาบางคนนี่นานปีแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรตัวตนได้ไม่ได้มี ภูบจนจนอืมไม่อยากใช้แล้วสํานวนปากเปียกปากแฉะมันมากกว่า โกงกินก็อยู่เฉลียวฉลาดนั้นก็ไม่ใช่บุคคลเจริญๆ และสร้างบาดให้กับตนเองจริงๆอาตมาก็เห็นก็รู้อยู่นี่โอ้มันสอนหน้าสังเวช มืดมนมนอ่ามืดมนต์มืดบอดโตเที้ยงโตวาทะยิ่งๆพวกนี้ก็อืมใช้อะไรอิใช้ญาณใช้ นะโซโตเขาอารัมอาตมะโกโตอยู่เนี่ยเขาก็ ผู้ฉลาดๆนานานี่แม้แต่ๆนานาก็ยังเป็นปทัพปรมะอยู่ ไม่กิเลสดับลงไปตัวเองเกิดเป็นอริยะขึ้นมาไม่มีชาติอย่างนั้นทางธรรมกิเลสดับลงไปตัวเองเกิดเป็นอริยะขึ้นมา โตไม่ได้บรรลุอะไรล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลปทัพปรมะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นปทัพปรมะจึงมากเหลือเกินบุคคลบรรลุธรรมนั้นน้อยใช่มั้ยอย่างพวกเราก็ยังรู้แล้วก็ขนาดในอโศลนี่เรา จำทรงได้ก็มากกล่าวพระพุทธพจน์อยู่เพราะมันมากเหลือเกินคนประทับปรมะๆเรา 4 มีๆ แล้วก็ยืนธรรมชาติที่ควรเกิดต้องเกิดให้ฟังเลยว่าต้องมีชาติแห่งการเกิดธรรมของศาสนาพุทธส่วนธรรมะ ส่วนกิเลสอย่ามาชาบเพราะฉะนั้นจะธรรมชาติกิเลสไม่เอามัน ธรรมะต้องดับชาติถึงจะถูกแล้วผู้ดับถูกแล้วดับสนิทได้หมดเป็น ใจเลยนะติดโอ้ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติแล้วก็ เพราะว่ามันเห็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมาบำเรอบำบัดอาศัยเพราะเป็นคนชั้นต่ำหรือเป็น คุณจตยาก็บอกคุณหญิงนะอู้ยธรรมะพระพุทธทาสนว่างเออดอกเปียบาทนึงก็ไม่ลดนั่นน่ะว่างจิตว่างแล้วเค้าก็เป็นสุขด้วยบําเรอกิเลสด้วยโลกียๆเค้ามีบําเรอเค้าก็ เขาไม่รู้จักไม่รู้จักสุขความสงบรงมงับอะไรเลยไม่รู้จักนี้น่าสงสารมาก คุณเองก็หลายคนในที่นี้นี่เออก็จริงๆคนชั้นกลางคนชั้น อ่าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ก็บำบัดชั่วถ้าคนมีปัญญาจริงๆเขาจะรู้เลยไม่ว่าเขาจะบำบัดได้หรือไม่บำบัดได้เพราะ เออแล้วมันไม่เห็นขาดไม่เห็นแล้วจะทิ้งมันก็จะชักสงสัยชักฉงนหรือชักต้องหาทางใหม่ก็ มหาดแล้วไม่ทุกนี่แหละเราไม่ทุกข์มหาดไม่ต้องมียศนี่แหละลดยศลง พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเออคุณก็ยังจนจนกว่าเก่าด้วยแต่ก่อนนี่ยังมี 5 มี 10 นะเออจนก็เก่าด้วยนี้บาทนึงก็ไม่มีเอ๊ะๆฟังแล้วจริงมั้ย <c oughs> คุณจริงมั้ยคุณมีบุญจริงๆนะได้ชําระกิเลสได้มีคุณค่าประโยชน์ต่อตนๆนึงเรามา วางใจได้สบายเข้าใจเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดอธิปัญญาเออจริงนะชัดคุณก็ชัดขึ้นทุกวันทุก อ่าเรื่องนั้นเรื่องมีมาวุ่นมาวายบางทีทะเลาะกันไปเดี๋ยวก็เผลอๆเป็นหลับแล้วอ่าทะเลาะกันหน่อยนิดทะเลาะหน่อยก็โอ้หูยนอนไม่หลับนิดๆหน่อยๆก็ยึดกดถือถือ ตัวก็ไม่โกรธจัดจ้านอะไรนักแต่มันยังมวยหมดมันก็ยังมีโกรธบ้างอะไรงี้มีไม่ชอบใจบ้างบางทีก็ไม่ให้ใครรู้หรอกแต่ปฏิคคะอยู่ก็ อ่าสะกดจิตให้มันหลับพยายามตัดพยายามวางก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เออเกิดตัดได้วางได้ง่ายดีไม่ดียังไม่ทันปรับยังไม่ทันสะกดจิตเลยหลับไปแล้วเผลอๆก็เนี่ย ไอ้รักนี่ก็ชุลมืนแลใสแจ๋วอยู่ได้ไม่หลับตาค้างกันน่ะอืมโกรธก็วุ่นมัวไม่ใช่ตาใสหรอกตาขุ่นยึงน่ะตลอดคืนหลับก็ไม่หลับแข็งกระด้างงั้น ไอ้สิ่งที่ว่าหลับๆเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินคนก็ นี่ธรรมชาติกิเลสที่เอ็ดกําลังอธิบายนี่ก็เป็น ศูนย์อนัตตาอนัตตาฐาวรคุณก็จะรู้อนัตตาฐาวรศูนย์ฐาวรคุณจะรู้ศูนย์นะจริงแท้วัน คนยังดับธาตุอันนี้แหละไอ้ตัวที่บอกว่าในตัวที่สําคัญที่จะๆนานานี้คนเราไม่เรียน 4 ไม่มีทางอื่น ให้มาพิสูจน์นะพระพุทธเจ้าก็ให้คนมาพิสูจน์เมื่อพิสูจน์ๆธรรมชาติอันที่ๆเรียก รู้เองในตนด้วยตนเองชัดแจ้งหรือว่าปัจจตังเวทิตะ มันจึงจําเป็นที่สุดที่เราจะแรงเลยผัสสะโลกัตถเมหิจิตตังยัสสนะกัมปฏิจฉผัสสะโลกธรรมอันนั้น ฟังพร้อมเมื่อได้เป็นจักกามกุลมาอยู่มายั่วก็อุเบกขาอุเบกขาละรู้เท่าทันด้วยว่าพวกราคาฮะนางราคานาง สบายวางเฉยน่ะไม่สะเดือนไม่สรุ้งสะเทือนอ่าณกัมปติไม่หวั่น